หมายเหตุบันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่4เรื่องสีลับพะตะปรามากสีลับพะตะปรามากเป็นสังโยชน์ที่มักเข้าใจกันพลามากที่สุดข้อหนึ่งจึงเห็นควรนำหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจในสุดตนิบาท มีพุทธพ์มากแห่งตรัสถึงสมณะพราหมณ์และบุคคลบางพวกมีความเห็นผิดถือว่าความบริสุทธิ์จะมีได้ด้วยศีลและพรตเป็นต้นส่วนอริยสาวกหรือท่านผู้หลุดพ้นหรือมุนีที่แท้ไม่ยึดติดทิฏฐิทั้งหลายละได้ซึ่งศีลและพรตทั้งหมดคําว่าบริสุทธิ์หรือสุทธินี้หมายถึงจุดหมายสูงสุดของลัทธิศาสนาตรงกับความหลุดพ้น หรือวิมุตตินั่นเองความเห็นผิดนั้นอาจแสดงออกในรูปของการบําเพ็ญศีลพรตเพื่อจะได้เป็นเทพเจ้าดังปรากฏบ่อยๆในพระสูตรต่างๆโดยข้อความว่ามีปณิธานหรือมีทิฏฐิว่าด้วยศีลหรือพรตหรือตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจักได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึง่งคัมภีร์มหานิเทศและจุลานิเทศ ได้อธิบายเรื่องการยึดถือความบริสุทธิ์ด้วยศีลและเพราะเช่นนี้ไว้หลายแห่งเช่นแห่งหนึ่งว่ามีสำนนพราหมณ์พวกหนึ่งถือความบริสุทธิ์ด้วยศีลพวกเขาเชื่อถือสุทธิวิสุทธิความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นวิมุตบริมุติเพียงด้วยศีลเพียงด้วยสัญญมการบังคับควบคุมตนเพียงด้วยสังวรความสำรวมระวังเพียงด้วยการไม่ล่วงละเมิดเป็นต้น มีสมณพรามพวกหนึ่งถือความบริสุทธิ์ด้วยพรตพวกเขาถือหัตถิพรตคือประพฤติอย่างช้างบ้างถืออัดสัพรตคือประพฤติอย่างม้าบ้างถือโคพรตคือประพฤติอย่างวัวบ้างถือพรหมพรตบ้างถือเทวพรตบ้างถือที่สัพรตคือไหว้ทิศบ้างคำอธิบายเช่นนี้ลงตัวเป็นแบบในคำจํากัดความคำว่าศีลับพะตัดปรามาตของคำพีอภิธรรมว่า ทิฏฐิการยึดถือของสมณพราหมณ์ทั้งหลายภายนอกจากธรรมวินัยนี้ทํานองนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลความบริสุทธิ์มีได้ด้วยพรความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลและพรตนี้เรียกว่าศีลับพตะปรามาตคําว่าของสมณพราหมณ์ภายนอกคํานั้นบางทีทําให้บางท่านเข้าใจผิดว่า การประพฤติศีลพรตของนักบวชนอกศาสนาเท่านั้นเป็นศิลปะตะปรามาความจริงคำที่ว่านี้ควรถือเป็นคำเน้นเพื่อชี้ตัวอย่างรูปแบบหรือแนวปฏิบัติเท่านั้นอาจเลี่ยงแปลเป็นว่าการยึดถืออย่างพวกสมณะพราหมณ์ภายนอกก็จะชัดขึ้นหรือไม่ต้องเติมคำนั้นเข้ามาเลยก็ได้เหมือนอย่างพุทธพจน์ทั้งหลายในสุตตนิบาตและคำอธิบายในมหานิเทศ หรือในอัธกถาก็ไม่มีคําว่าของสมณพราหมณ์ภายนอกเพราะเมื่อถือผิดอย่างนี้ถึงอยู่ในพุทธศาสนาก็เป็นการถืออย่างคนนอกพระศาสนาสรุปความหมายตอนนี้ว่าศีลพะตะปรามาตหมายถึงการประพฤติศีลพราะด้วยโมหะคือความหลงงมงายว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นบรรลุจุดหมายของศาสนาเพียงด้วยการบําเพ็ญศีลเพราะนั้น ในความหลงผิดนี้ลักษณะหนึ่งที่แสดงออกมาคือการกระทำด้วยตัณหาและทิฏฐิเช่นประพฤติอย่างนั้นเพราะอยากไปเกิดเป็นเทวดาและมีความเห็นผิดแฝงอยู่ด้วยพร้อมกันว่าการบำเพ็ญศีลพระนั้นจะทาให้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ว่าโดยความหมายตามรูปศั์ศีลพัตตะปารามาประกอบด้วยศีละคือศีลบวกวตะคือพรต บวกปรามาสะคือการถือเลยเถิดคําว่าศีลและพรตมีอธิบายในมหานิเทศดังยกมาอ้างข้างต้นแล้วและยังมีอธิบายน่าสนใจเพิ่มอีกใจความว่าข้อที่เป็นทั้งศีลและพรตก็มีเป็นแต่พรตไม่เป็นศีลก็มีเช่นวินัยของพระพิสุมีทั้งศีลและพรตกล่าวคือส่วนที่เป็นสัญมะกและสังวร คือการบังคับควบคุมตนหรือการงดเว้นความสำรวมระวังการไม่ล่วงละเมิดเป็นศีลส่วนการสมาทานหรือข้อที่ถือปฏิบัติเป็นพรตข้อที่เป็นแต่พรตไม่เป็นศีลได้แก่ทุ ด, ดงทั้งหลายเช่นถืออยู่ป่าถือบินธบาติเป็นประจำถือทรงผ้าบาังสุกุลเป็นต้นในการบำเพ็ญศีลพรตโดยหวังจะไปเกิดเป็นเทพถ้าเป็นนักบวชนอกศาสนา เช่นพวกถือกุกกราพน์อัรถกถ า, าก็อธิบายว่าศีลก็หมายถึงประพฤติอย่างสุนักพรตก็หมายถึงข้อปฏิบัติอย่างสุนักถ้าเป็นชาวพุทธศีลก็ได้แก่เบญจศีลเป็นต้นพรตก็ได้แก่การถือทุดงบางที่อัรถกถ า, าก็พูดจำเพาะภิกษุว่าศีลหมายถึงปาริสุทธิศีลสีพรตหมายถึงธุดงสิบสาม คำว่าปรามาตมักแปลกันว่ารูปคลาแต่ความจริงความหมายในบาหลีทั่วไปได้แก่หยิบฉวยจับต้องจับไว้แน่นเช่นพระจับยึดตัวอุบาสกไว้ทีคาวุกุมารจับเสียญพระเจ้ากาสีเพื่อจะปงปงะชนพระพุทธเจ้าไม่ทรงยึดมั่นความรู้ไม่ควรหยิบฉวยของที่เขามีได้ให้ การจับฉวยท่อนไม้และสัตราเพื่อทำร้ายกันที่แปลกันว่ารูปคลมคงจะมาจากชาดกว่าด้วยกำเนิดของสุวรรณสามกุศราชและมันดับพยกุมารว่าฤาษีปารามาตนาพีของพันรยาเป็นต้นซึ่งน่าจะเป็นการเอานิ้วแตะจี้หรือจดลงที่สะดือมากกว่าหรือเทียบเคียงจากพระวินัยปิฎกสังฆาธิเศษสิกขาบทที่สอง สิกขาบทวิพังซึ่งอธิบายปรมามศสาโดยไขความว่าอิโตจิโตจะสันโจปนาแปลได้ว่าลูกหรือสีไปมาอย่างไรก็ตามความหมายของปรามาในด้านหลักธรรมมีคำอธิบายเฉพาะชัดเจนอยู่แล้วว่าสภาวังอติกมิตตวาประโตอามะสติติปรามาโสแปลว่า จับฉวยเอาเกินเลยสภาวะเป็นอย่างอื่นไปจึงแปลว่าถือเลยเถิดคือเกินเลยหรือคลาดจากความเป็นจริงกลายเป็นอย่างอื่นไปเสียเช่นตามสภาวะที่จริงไม่เที่ยงจับฉวยหรือยึดถือพลาดไปเป็นว่าเที่ยงศีพลพรตมีไว้ฝึกหัดขัดเกลว์เป็นบาตรฐานของภาวนากลับถือเลยเถิดไปเป็นอย่างอื่นคือเห็นไปว่าบําเพ็ญแต่ศีพลพรต ก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ศีลับพะตะปรามาธนี้ก็เป็นทิฏฐิคือความเห็นหรือการยึดถืออย่างหนึ่งจึงมีปัญหาว่าเหตุใดต้องแยกต่างหากจากสังโยชน์ข้อที่หนึ่งคือสักกายทิฏฐิซึ่งเป็นทิฏฐิเหมือนกันอธิกถาอธิบายว่าสักกายทิฏฐิความเห็นยึดถือตัว ต, วตอนนั้นเป็นทิฏฐิพื้นฐานอยู่กับตนเองตามปกติโดยไม่ต้องอาศัยตรร ก, กะ และการอ้างอิงถือต่อจากผู้อื่นส่วนศีลพัตตาปรามาตเป็นทิฏฐิชั้นนอกเกี่ยวกับปฏิปทาคือทางแห่งการปฏิบัติว่าถูกหรือผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากคนละขั้นตอนกันทีเดียวจึงต้องแยกเป็นคนละข้อและเพราะศีลพัตตาปรามาตเป็นเรื่องของปฏิปทานี่แหละท่านจึงอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นว่าศีลพตตาปรามาตเป็นอัตตกิลมัานุโย อันเป็นอย่างหนึ่งในที่สุดสองด้านซึ่งชาวพุทธพึงหลีกเว้นเสียเพื่อดำเนินในมรรคาที่ถูกต้องคือมัชิมาปฏิปทาปารามาหรืออ่านอย่างบาลีว่าปารามาสะใช่มากอีกอย่างหนึ่งในรูปที่เป็นคุณนามว่าปรารามัตถะแปลว่าซึ่งถูกจับต้องแล้วหรือจับต้อง บ, บ่อยๆหมายความว่า แปดเปื้อนหรือเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วท่านอธิบายว่าถูกตัญหาและทิฏฐิจับต้องคือปะเปื้อนหรือไม่บริสุทธิ์เพราะถูกตัญหาและทิฏฐิเข้ามาเกลือกล้วอัวพันคือรักษาศีลบาเพ็ญพรเพราะอยากได้ผลตอบแทนเป็นลาบยศสรนเสริญสุขสวรรค์หรือเพราะเข้าใจว่าจะได้เป็นนั่นเป็นนี่ตามลัทธิหรือทฤษีที่ยึดถือเอาไว้ ศีลที่บริสุทธิ์จึงเรียกว่าเป็นอป a รามั t ะไม่ถูกตันหาและทิฏฐิแต่ต้องให้เปรอะเปื้อนประพฤติด้วยปัญญาถูกต้องตามหลักการและความมุ่งหมายเป็นไทยคือไม่เป็นทาดของตันหาและทิฏฐินั้นเป็นศีลระดับพระโสดาบันแปลอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ถูกปรามาตคือใครๆท้วงตำหนิดูหมิน่นหรือหาเรื่องไม่ได้ ลักษณะสุดท้ายของการถือศีลพรตที่พลาดหลักก็คือการถือที่เป็นเหตุให้มาทะเลาะวิวาทเกี่ยงแย้งกันว่าใครดีใครเลวท่านผิดฉันถูกหรือเป็นเหตุให้ยกตนข่มผู้อื่นว่าเราทําได้เคร่งครัดถูกต้องคนอื่นเลวกว่าเราทําไม่ได้อย่างเราเป็นต้นเท่าที่กล่าวมาพอจะสรุปลักษณะการถือศีลพรตที่เป็นศีลปะตะปรามาได้ว่าเป็นการถือด้วยโมหะ หรือด้วยตันหาและทิฏฐิซึ่งแสดงออกในรูปของการถือโดยงมงายไม่เข้าใจความมุ่งหมายสักวัาธทตาํตตามกันไปอย่างเถนสองบาทบ้างถือโดยหลงผิดว่าศีลเพราะเท่านั้นก็พอให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นหรือถืออย่างเป็นพิธีรีตองศักดิ์สิทธิ์ว่าทําไปตามนั้นแล้วก็จะบันดาลผลสำเร็จให้เกิดเองบ้างถือโดยรู้สึกว่าเป็นข้อบังคับ ล, ลอยเป็นเครื่องบีบคั้นขืนใจ ไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรเพราะไม่เห็นโทษของสิ่งที่พึงงดเว้นไม่ทราบซึ้งในคุณของการละเว้นสิ่งที่ชั่วเลวและการที่จะทำตามข้อปฏิบัตินั้นๆจำใจทำไปไม่เห็นประโยชน์บ้างถือเพราะอยากได้เหยื่อล่อเช่นโชคลาภกามมาสุขเป็นต้นบ้างถือเพราะมีความเห็นผิดในจุดหมายว่าศีลพรตจะทาให้ได้เป็นนั่นเป็นนี่บ้างถือแล้วเกิดความหลงตัวเอง มีอาการยกตนขมผู้อื่นบ้างลักษณะการรักษาศีลบําเป็นพราที่ถูกต้องไม่เป็นศีลัพปตัตตปารามาตก็คืออาการที่พ้นจากความผิดพลาดที่กล่าวแล้วข้างตน้นซึ่งแสดงออกด้วยการปฏิบัติที่เกิดจากความรู้ตระหนักว่ากระทำเพื่อฝึกหัดขัดเกล่าตนเองเพื่อเป็นบาทของสมาธิเพื่อความสงบเรียบร้อยเพื่อความดีงามของประชุมชน ปฏิบัตด้วยมองเห็นโทษของการเบียดเบียนทราบซึงว่าความสงบเรียบร้อยไม่เบียดเบียนการเป็นต้นเป็นสิ่งที่ดีเห็นคุณเห็นโทษแล้วละอายบาปมีฉันทะที่จะเว้นชั่วทำความดีโดยพร้อมใจตนตลอดจนถึงขั้นสุดท้ายคือไม่กระทำชั่วและประพฤติดีอย่างเป็นไปเองมีสีและพรสเกิดขึ้นในตัวเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องฝึก ไม่ต้องฝืนเพราะไม่มีกิเลส ท, ที่จะเป็นเหตุให้ทำความชั่วเข้าลักษณะของฐานหนึ่งในหกที่พระอรหันต์น้อมใจไปคือข้อที่ว่าพระอรหันต์น้อมใจดิ่งไปในภาวะที่ไม่มีการเบียดเบียนไม่ใช่เพราะถือศีลปัตราปา r a m a แต่เพราะหมดราคะหมดโทสะหมดโมหะเบื้องแรกศีลเป็นความประพฤติปกติเพราะฝึกปฏิบัติ ให้เคยชินเป็นนิสัยและเพราะแรงใจที่มุ่งมั่นฝึกตนให้ก้าวหน้าในคุณความดีส่วนเบื้องปลายศีลเป็นความประพฤติปกติเพราะหมดสิ้นเหตุปัจจัยภายในที่จะให้หาทางทำสิ่งที่ไม่ดีผู้ปฏิบัติผิดก็อาจมีศีพลพรตแต่เป็นศีลััปตะปรามาตผู้ปฏิบัติถูกก็มีศีพลพรตดังที่ท่านเรียกว่า สีละวัตูปปัณนะแปลว่าผู้เข้าถึงศีลพรสหรือประกอบด้วยศีลและพรสบ้างสีละพัตสัมปันนะแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยศีลพรสบ้างจะว่าบริสุทธิ์ด้วยศีลพรสก็ไม่ถูกบริสุทธิ์ได้โดยไม่ต้องมีศีลพรสก็ไม่ถูกแต่อยู่ที่ศีลพรสที่ไม่เป็นสีละพัตปรามาสพรสอาจไม่จําเป็น เฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคฤหัตแต่ศีลที่เป็นอันปารามัตรหรืออปารามัตถะคือบริสุทธิ์ไม่คลาดหลักความจริงไม่เปรอะด้วยตัณหาได้ทิฏฐิเป็นพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับความบริสุทธิ์ดุดพ้นในทุกกรณีสําหรับเรื่องนี้ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมในตอนว่า ด, ด้วยพระโสดาบันคือในบทที่18ด้วยสรุปลงให้สั้นที่สุดหลักการของศีลพรดก็มีเพียงว่า เมื่อบุคคลถือปฏิบัติศีลพรตใดแล้วอากุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมศีลพรตอย่างนั้นผิดพลาดไร้ผลเมื่อบุคคลถือปฏิบัติศีลพรตใดแล้วกุศลธรรมเจริญอากุศลธรรมเสื่อมถอยศีลพรตอย่างนั้นถูกต้องมีผลดีตราบใดยังเป็นปุถุชนการถือมั่นถือพลาดในศีลพรตก็ยังมีอยู่ไม่มากก็น้อย ตามสัดส่วนของตัณหาทิฏฐิหรือโมหะที่เบาบางลงอย่างน้อยก็ยังมีอาการฝืนใจหรือข่มไว้จึงยังไม่พ้นขั้นที่รักษาศีลด้วยความยึดมั่นในศีลและถือเกินเลยคาดสภาวะไปบ้างต่อเมื่อใดเป็นพระโสดาบันกิเลสยาปแปงหมดไปจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญบริบูรณ์ในศีลการรักษาศีลจึงจะเป็นไปเอง เพราะเป็นศีลอยู่ในตัวเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝืนอีกต่อไปและถือพอดีพอดีตรงตามหลักตามความมุ่งหมายไม่หย่อนไม่เขวไม่เลยเถิดไปจบบันทึกที่4ขอเข้าสู่เนื้อหาในบทที่7ต่อไป